ต่อไปจะได้สวดแปรหน้าเดิมหน้า3าติตีลัคนาที่คาถาสเพสังคาราอนิจจตียาตายาญาปัญญาปสติเมื่อใดบุคคลมาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งลายทั้งปวงไม่เทียง อาธานิพินทติทุเคเมื่อนั้นย่อมเมื่อนายในทุกเอสงอโควิสุทธิอาติข้อนี้เป็นหนทางแห่งความหมดจดสาเพสังคาล า, าทุกข า, ย า, ยาติมญาปัญญายปัสสติเมือ่อใดผู้คนมาเห็นด้วยปัญญาวา่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์อิตานิพินทติทุเข็เมื่อนั้นย่อมเผื่อหน่ายในทุกข์เอสัมภควิสุทธิามข้อนี้เป็นหนทางแห่งความหมดจดสัพเพธรรมาอนัตติญาติปัญญายาปัสติ เมื่อได้ผู้คนมาเห็นด้วยปัญญาว่าธรรนทั้งลายทั้งพวงเป็นอนัตตาอาตานิปินทติทุกเคเมื่อนั้นย่อมเหือนอายในทุกเอสมักโควิสุธิอานข้อนี้เป็นอนทางแห่งความหมดจดอาปกาเตมนุเสสุ เยจนอาปาระคามินโนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายชนเหล่าใดที่ไปสู่ฟ้าฝังคือพระนิพพานช น, ชนเหล่านั้นมีประมาณน้อยนามอาทายังอิตราประชามเิระเมวานุทาวติส่วนประชาสัตว์นอกนี้ ยอมพากันออกไปตามชายฝั่งคือคือสักคายาที่นั่นแลมเยจะโคสัมมาทาคาเตทำเมทัมมานุวัตินนทก็จนเหล่าได้แล่มากประพฤติธรรมในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ดีแล้ว เตจนาภาระเมสันติมาจุทะ ย, ยังสุทุตรังชนเหล่านั้นจะถึงฝั่งคือพระนิทานอันลงบนบนวงพลบวงกานที่ชนข้ามพลได้ยากนักการหังนทำมางวิบากหายาสูขกางภาเวตะปันดิโตร โลกาอโนกมาคามาบัณดิตเลกิกละธรรมดำแล้วพอกคุณธรรมขา้าวออกจากความอาลัยเพราะอาศัยพระนิพพานวิเวเกยานตะทุรมังตักตราพิระติมิเชียยิเตวากามอกินจนโน ความยินดีที่ได้โดยยากในความสังกัดคือพระนิพพานในดผู้ลาการเสียเป็นผู้ไม่ห่วงใยแล้วปราถนาความยินดียิ่งในความสังัดคือพระนิพพานนัน้นปริโยะไปยังอัตตานังจิตตกะเรเสีปันกิโตน บันดิควรจำละตนให้ผ่องแผ้วจากกิเลสเครื่องเศร้ามองจิตทั้งหลายเยสังสัมโพที่ยังเกษวสัมมาจิตตังสุภาวิตังชนเหล่าไดอบรมจิตไว้ด้วยดีโดยชอบในองค์แห่งธรรมเครื่องตัดสรุปอาทานปฏินิสักเข อลุปาทานเยรตาจนเหล่าใดไม่ถึงมันมายินดีแล้วในพระนิพพานอันเป็นที่สละความยืดือเสียได้ขีหาสวัชุติมันตโตเปโลเกบริิพุตาจีจนเหล่านั้นมีอาสวสิสินแล้ว มีความสว่างสวยในทิพยานในโลกแล้วดังนี้แล